เดืนอนละครเดยมันได้เยอะเหมืนอน ก, กันเนาะทีแรกกลุ่มพุทธทํามําตองเปนิมนหลวงพ่อแล้วเนี่ยภาพไม่ออกนะไ ป, ปะมาธนี่นะว่าคุณคุณนหน้าเยอะมากเลยไอ <c oughs> เรนที่วัดหลวงพ่อเลยเยอะแยะเลยพวกเรามีบุญนะพวกเราเป็นคนฉลาดเป็นมีบุญที่นิยมสนใจธรรมะ คนไม่มีบุญคนไม่มีความฉลาดเนอะไ ม, ม่สนใจธรรมะคนในโลกมีเยอะแยะเขาไม่ได้สนใจธรรมะหรอ่เห็นธรรมะเป็นเรื่องเวยๆแนะสมัยก่อนภาพพนของคนที่เข้าวัดฝังธรรมแนละ้วพวกแก่ๆท่านแก่ก็หุกหักลากสลายไม่มีใครเลี้ยงเลยต้องไปอยู่วัดอะไรไม่ดีเราไปไว้วัดไปแบบนนี้เดี๋ยวนี้สังคมันเปลี่ยนคนที่ไปวัดหลวงพ่อนะคนระดับพวกเหล่านะี้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 มีชีวิตอยู่ไปวันหนึ่งมันหนึ่งเอาอย่างคนอื่นไปเรื่อยๆตอนเด็กๆคนอื่นเรียนหนังสือเราก็เรียนบ้างตอนมาเข้าทํางานเราก็ทําบ้างเขามีเงินเราก็มีบ้างเขามีอะไรเราก็มีบ้างสุดท้ายเขาตายเราก็ตายบ้างในชีวิตคนเบี่ยนอยูน่นิดหนึ่งแต่คนที่มีธรรมะเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นคนที่มีธรรมะนั้นสามารถมีความสุขแม้แต่แต่เริ่มปฏิบัติถ้าปฏิบัติทําถูกต้องเนี่ยจะมีความสุขทันทีเลยไม่ใช่ว่า ต้องทําไปแล้วหลายหลายชาติถึงยังมีความสุขไม่ใช่ศาสนาพุทธไม่กระจอกขนาด น, นั้นนะครัศาสนาพุทธเป็นศาสตร์ที่จัดจ้องได้ไม่ใช่เป็นนามธรรมที่จัดจ้องไม่ได้เป็นศาสตร์ที่เต็มไปด้วยเหตุด้วยผลพระพุทธเจ้าบอกเราเลยว่าความทุกข์มันมาได้อย่างไรความทุกข์ในใจเราเนี่ยเกิดได้อย่างไรแล้วท่านสอนเลยว่าทํำยังไงเราจะคนจากความทุกข์ทางใจได้ที่ดูคนในโลกนะเต็ไมไปด้วยความทุกข์ อย่พอร่างกายมันเจ็ป่วยนะก็ทุกใจมันก็ปล่อยทุกไปดนะ้วยร่างกายมันแก่ใจก็ปล่อยทุกนะเวลาจะตายเวลาจะอะไรเวลาจะพลาดลาดอะไรตอนใดใจมันมีแต่ความทุกข์เป็นไปหมดเลยถ้าเราถึงเอาความทุกข์ในใจออกไปได้เหลือแต่ความทุกข์ทางกายความทุกข์จะหายไปตังเยอะเลยชีวิตที่เหลือจเป็นชีวิตที่มีความสุขลงเบานะร่างกายจะแก่เราก็มีความสุขร่างกายจะเจ็บเราก็มีความสุขร่างกายจะตายเราก็ยังมีความสุขอีก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 พยายามรักษาสีไหมคนรักษาสีมีความสุขนะคนไม่มีสีไม่มีความสุ ข, นะสสขง่ายๆเลยอย่างเวลาถ้าเราต้องโกหกใครสักคนเราต้องจํำไว่ออกไหมคนไหนโกหกเก่งเลยนะจะใช้เงินความจําไปเกือบหมดแล้วอันตรายไหมไปพูดกับคนที่ไว้แล้วจำไม่ได้นะไพูดอีกทีไม่เหมือนเลยเกิดคนพูดความจริงแนละ้วไม่ต้องใช้ความจําหรือคนจะไปฆ่าเขาหรืตีเขาใช่ไหมลาบากนะ ทำไงจะฆ่าเขาได้ไดต้องวางแผนเหนื่อยฆ่าเขาแล้วจะปกปิดยังไงเหนื่ยคนไม่มีสีแลแ้วไม่มีความสุขคนจะไปขโมยเขาจะไปโกหเขาไม่มีความสุขการสีนะทำถ้าเรารักษาสีไดนะ้เราก็ต้อมีความสุขสบายอจะตายบางคนคิดว่าถือสีลาบากก็คือไม่เต็มเลยสีไมมีสีแล้วสบายอจะตาย ไม่มีแล้วไม่พอนะศาสนาพุทธไม่ได้แค่ความสุขที่ยิ่งใหญ่แต่การถือีลอยู่นี่คือความสุขจากการสงบจิตใจจิตใจของเราว่าง้นตลอดเวลาหรือเปล่าไหมแต่เราเดี๋ยวเรื่องรุนเรื่อยอยงนี้ตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวกขเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนเวีปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆศาสนาพุทธสอนเราให้ฝึกจิตฝึกใจเราไม่มีความสุขมีความสงบอยู่ในตัวเองได้เพรนถ้าใครฝึกมีสมาธิขึ้นมาได้นะก็มีความสุข ในลำพันธุสีนีสมาธินี่ยังไม่ใช่แนื้อแท้ของศาสนาพุทธในศาสนาอื่นเขาก็มีเหมือนกันยังไม่ใช่ลักษณะที่เฉพาะไม่ใช่ลักษณะเฉพาะในศาสนาพุทธเราก็ฝึกต่อไปอีกนะเรียนธรรมะต่อไปอีกฝึกขั้นเจริญปัญญาตรงนี้ที่อื่ไม่มีแล้วมีเฉพาะในศาสนาพุทธเจริญปัญญาคือเจริญอะไรเจริญปัญญาคือการเรียนรู้ตัวเอง ให้เราคอยเรียนรู้ตัวเองไหมเราอย่าลืมตัวเองคนในโลกลืมตัวเองท้กวันเลยรักตัวเองที่สุดแมะเรารักตัวเองที่สุดเลยแต่เราลืมตัวเองบ่อยที่สุดเลยคนแรกที่เราจะดูคือตัวเองคนที่เราจะนึกถึงคนแรกๆคือคนอื่นเราไปทดสอบตัวเองแล้วจริงไหมเราลืมตัวเองทั้งทั้งที่เรารักตัวเองเรารักเลยมันถ้าสงสารนะมันเด็นจอมจั่นไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่ที่นั่งกันสลันเลยถ้าเราลืมตัวเราเองใจเราหนีไปที่อื่นตลอดเวลา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 ความจริงของมันเป็นมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกขมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเรียกว่าเห็นใจรักได้เลยตัวใจรักได้หละตัวปัญญาเป็นไจรักทำไมต้องมาดูกายดูใจพวกเราเรื่องออกไหมทำไมเราต้องคอยดูกายดูใจเองเพราความทุกข์มันอยู่ที่กายความทุกข์มันอยู่ที่ใจถ้าเรารู้ไม่ทัน้วความทุกข์ก็จะเข้ามาครอบงำในกายในใจของเราแต่ถึงรู้ทันแล้วความทุกข์ยังครอบลำตายได้ เรารู้ไม่ทันความทุกข์จะเข้ามาขมใจถ้ารู้ทันแล้วความทุกข์จะเข้ามาขมใจไม่ได้งั้นที่เราฝึกกันแค่เป็นชักตายนะเราฝึกรู้ทันใจเราตัวเองบ่อยๆถ้าใครฝึกรู้ทันใจตัวเองได้มากๆนะต่อไปความทุกข์จะเข้ามาไม่ได้ดูหลวงพ่อที่แก่ป่านี้ดูมีความสุขไหมหลวงพ่อยิ้มั้งวันเลยนะอยู่เป็นเดี๋ยวหลวงพ่อก็ยังยิงมยิ้มจะสายลมและแสงแดดได้อยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขนะ เม่อก่อนลวงพ่เขาทำงานแบบพวกเราแหละเป็นเงินเดือนเดือนแต่รัฐราชการอยู่สภาวความมัน่นคงงานสีเรียสมากางเ ง, งเี้ยเครียแต่หลวงพนอเน้นเจตจำนของความสุขยิ้มอยู่ทั้งวันใครเขาเข็งเรานะต้องรู้สึกมีความสุขเพรก็เรามีความสุขทำไมเรามีความสุขเราคใครรู้สึกตัวเราครรู้ตายแล้วใครรู้ใจแล้วใครดูจิตใจของเราไว้เรามีสตินะคอยรักษาใจเป็นเกียรตใจของเราไปด้วย ใจของเราเดี hole, De Model, De hey, ๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็โลกเดี๋ยวก็ปกรธเดี๋ยวก็หลงเราไปดิสติตามดูไปนี่แหละเรียกว่าการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมไม่ยากอะไรการปฏิบัติธรรมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะกับรูปแบบพวกเราไปวาดภาพการปฏิบัติธรรมเอาไว้เพียงจัดความเป็นจริงเราไปคิดว่าการปฏิบัติธรรมนั่นคือการนั่งสมาธิการเดินโจงกลมเราวาดภาพไปอย่งรู้สึกไหมเวลาคิดถึงนั่ปฏิบัติจะต้องนั่ง ไม่ก็ต้องเจอย่อมย่องยั่งยั่งนะการปฏิบัติธรรมจริงๆไม่ใช่เรื่องอะไไม่ใช่รูปแบบไม่ใช่เปลือกแค่นั้นการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงนะคือการมีสติอย่าลืมตัวเองคำว่ามีสติอะไรคือความรู้สึกตัวนะคอยรู้สึกอะไรึกถึงกายถึงใจอย่าลืมมันอย่าลืมกายอย่าลืมใจตัวเองพูดง่มยๆว่าอย่าลืมตัวอย่าลืมตัวเองคอว่า้ทันนะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึก วิปัสสนากรรมานมีเท่านี้ร่างกายเคลื่อนไหวเราก็รู้จิตใจเคลื่อนไหวเราก็รู้รู้ไปได้เราก็จะเห็นความจริงของกายของใจได้เขาเข้มใส่ละวยังไม่ใช่เรื่องยากเลยการปฏิบัติทำเนี้ยขั้นแรกเลยอย่าใจลอยรู้จักใจลอยไหมใครใครไม่รู้จักใจลอยยกมือหลวงพ่อต้องถามแบบนี้นะถ้าหลวงพ่อถามว่าใครรู้จักให้ยกมือไม่มีใครยก ไม่ว่าถามอะไรนะั้นก็จะไม่ยกเหรเห็นว่าทนายทำไทยนะทนายทาเราไม่ยกมือหรอกเาตนิ่งๆเรียกว่าพูดไปสองใค่เที่ยนนิ่งเสียทั้มือเนาะเงียบเที่ยนในพวกเราทุกคนนะสง่านุมาณผ่านที่ไม่ยกมือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าใจลอยทีนี้เราไม่พู ด, ดถึาวัตสติสติจริงๆแค่ตรงข้างเร่าทาให้ใจลอยเนะี อยู่ๆเราจะเป็นออกให้มีสติเรามีไม้เต็มแต่ถ้าเมื่อไร่เรารู้ว่าตัวเองใจลอยนะฉะนั้นเราจะมีสติเมื่อไหรรู้ว่าใจลอยเมื่อนั้นจะไม่ใจลอยอย่างเด็กไม่ใจเราลอยทั้งวันลอยทุบฟองทุบฟองไปนะเด็กก็ลอยไปคิดเรื่องโน้นรอยไปคิดเรื่องนี้เตุ๊กตีก็ลอยไปดูเห็นคนนี้เดินมาเราก็ไปดูเข้าใจเราอยู่คิดเเขาได้ยินเพลงนี้แล้วใจคิดจะถึงอย่างแก่ๆอย่างหลวงพ่อนะ แต่ได้ยินเพลงโบราณโบราณนั้นใหมันฟลอฟแล้วใจคิดถึงสมัยยังหนุ่มยังสาวยังน้อยอย่างนี้เนี่ยลงไปคิดหลงฟังเสียงนะยินเสียงเป็นตัวกระตุ้นแล้วใจก็หลงถ้ามาฟังเพลงของเด็กสมัยใหม่จะฟังไม่ออกไม่รู้อะไรคล้าๆหมากัดกันหลงๆแงงๆอะไรฟังไม่ออกแน่ใจเรารู้สึกไหมตอนที่หัวร้อนเมื่อกี้ใจรอยมันอกับไหมใจรอยมันรอยไปไหนบ้าง ใจลอยน้ำลอยไปดูลอยไปฟังลายไปดองกลิ่นลายไปลิ้มรสลอยไปรู้สัมผัสทางกายลอยไปคิดเรื่องปรงแต่งทางใจไปเพราะลอยทางใจนี่ตัวร้ายลายไปทางตาทางหูอะไรนี่เป็นเรื่องคนงใจปฏิบติเราจทดลองแล้วทดสอบเราจะทดสอบใจลอยทางตาทุกคนช่วยกันดูรูปจะรูปมองเห็นไหมดูว่ารูปจะรูปครับ รูสึกไหมขณะที่เราดูพรหนาใจเราไปอยู่ที่พระอัลลอฮตอนแล้เดี๋ยวพระท่านสุดเห็นไหมขณะที่เราดูอะไรนะใจเราก็วิ่งไปที่นั้นขณะที่ใจเราวิ่งไปที่พระเมื่อีเราลืมกายลืมใจตัวเราเอง้นเวลาที่เราดูเวลาที่เราฟังใจเราก็ลอยไปแต่นี่เป็นปกติทุกคนต้องเป็นอย่างนี้ห้ามไม่ได้หรอกใจลอยที่สาคัญที่สุดนะคือลอยผิดชิดลอยทางใจ เราคิดทั้งวันมีใครเป็นคนคิดน้อยไหมอีไหมสังเกตไหมเราคิดทั้งวันคิดทั้งคืนนึยออกไหมบางคนไปส่งกันบ้านหนูงพ่อเนี้ยมีใชนเป็นคนคิดมากบอกแล้วมีใครไม่คิดทุกคนคิดมากคือคิดตลอดเวลาอยู่แล้วหลับไปก็คิดนะไม่ว่าฝันในใจเราคิดตลอดเวลาเราเป็นมักจะไปรู้เรื่องที่เราคิดบางทีคิดแล้วไม่รู้ว่าคิดอะไรก็มีรู้จักไหมบางทีบางีคิดแต่ไม่รู้ว่าคิดอะไร บางทีคิดก็รู้เรื่องที่คิดแต่ไม่ว่าคิดเรารู้เรื่องหรือคิดแล้วไม่รู้เรื่องนะในขณนะที่ลงไปคิดเนะี่ยเราจะลืมกายลืมใจไปอัตโนมัติเลยแหน้าที่ของเรานะวิธีฝึกง่ายๆเลยนะที่จะให้เราเกิดสดติเกิดความรู้สึกตัวเวลาเราใจลอยไปเรียกรู้ไวๆใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้ไม่ใช่ฝึกห้ามไม่ให้ใจลอยนะไม่เหมือนกันไม่มีใครห้ามไม่ให้ใจลอยกนะัน ใจมันจะลอยห้ามมันไม่ได้แล้วไม่ใช่ร่าดอาหารร้าดอาหารใจไม่ลอยอยู่ยังไงก็ไม่ลอยไม่มีที่จะนอยไปลอยมาใจของพวกเราเล็กๆพวกใจน้อยใจเราน้อยๆเล็กๆยิ่งไปยิ่งมาได้ถ้าภาวนาเป life, no body, so ็มที่เป so so we ็มปุแใ่เราเต็มโลกเลยไม่มีที่ไปที่มามีแต่ความสุขเป็มอิ่อยู่นั่นเองใจของเราเนี่แหละมันลอยไปเรื่อยๆให้เราคอยรู้ทันเวลาใจลอยเรารู้ใจลอยเรารู้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 หลคนภาวนาจิตจิตภาวนาแล้วซึมภาวนาแล้วทื่อเคยเห็นไหมเพราะภาวนาแล้วเป็นอย่างนี้น่าเกลียดนะหรือบางคนภาวนาแล้วน่ากลัวไม่เอาไม่ไม่จิตประจิตถ้าเราภาวนาเป็นภาวนาถูกนะใจเราอยู่เบิกบา น, สง บ, น, บบานสงบแต่เบิกบานสงบแต่ร่าเริง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 เดินก็เดินไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดานั่งก็นั่งไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาจะทําอะไรก็ผิดธรรมดาไปหมดธรรมะแท้ๆคือคําว่าธรรมดานั่นเองธรรมดาไม่ใช่ผิดธรรมดาวิธีที่เราจะปฏิบัติธรรมนัได้อย่างใจลอยนะแล้วก็ค่อยดูธรรมดาของกายเป็นยังไงคอรู้ไปธรรมดาของใจเป็นยังไงคอรู้ไปดูกายดูใจก็ทํางานเป็นธรรมดาธรรมดาผู้ปฏิบัติส่วนมากที่พลาดเนี่ยคือไปบังคับกายบังคับใจ นึกออกไหมพวกที่ชับเข้าคอร์สนึกออกไหไปบังคับกายบังคับใจนะตอนนะนเราเครียดจิตที่เครียดเป็นอากุศนุจิตนะจิตที่เป็นมหากรุศรจนะจิตจะมีความเบาเรียกวอุตตามีความอ่อนโยนนุ่มนวลเรียกว่ามุตุตามีกรรมัญญาตาควรแต่งการงานคือไม่ถูกกิเลสครอบงำมีตาคุณตาคือความเคร่องแค ล, ล่รายดเลับเหวมีมุชุกตานะซึ่งตรงในการรู้อารมณ์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 แล้วรลภขึ้นมาก็รู้โกรธขึ้นมาก็รู้หลงไปก็รู้ใจเราฟุ้งซ่านก็รู้ทันใจเราหดหู่ก็รู้ทันใจเราเกิดความสงสัยฟังหลวงพ่อแล้วสงสัยว่าจะปฏิบัติเนี่ยรู้ว่ากําลังสงสัยอยู่การปฏิบัติทําไม่ได้ยากอะไรนะคือการคอยรู้ทันตัวเอง ร, รู้ทันใจรู้ทันใจไปเลยมันแค่สงสัยว่าเนี้ยหลวงพ่อที่พูดเรื่องอะไรว่าฟังยากแตใจเราสงสัยขึ้นมานะรู้ว่าสงสัย าหารู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นสดสดร้อนร้อนในใจเราไปด้นนๆพวกเราเป็นคนเป็นพวกปัญญชนนะส่วนใหญ่เราทำงานด้วยกันชิดรู้สึกไหมวันวนหนึ่งต้องวางแผนต้องชิดต้องไหไรมากรรมฐานที่เหมาะกับพวกเรานะไม่ใช่การ น, นั่งสมาธินานๆเราไม่มีเวลานั่งหรอกแล้ววันๆั น, นึเราทำงานอุตส่หุดทั้งวันนะใเราสุ้งสร้างเป็นที่แล้ว กลับว่าหวังว่าจะไปนั่งสมาธิให้สงบไม่สงบมันจะสลบแทนพอนั่งแล้วก็แป๊บเดียวรู้สึมไปแล้วเนอะ แ, แล้วเราต้องฝึกกรรมาฐานชนีวิตใหม่แลฝึกมีสติในชีวิตประจําวันให้มากเราคอยรู้สึกคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองพูดง่ายๆนะง่ายๆนะเลยจำง่า ย, ายๆเลยคอยรู้ความรู้สึกของเราเองความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเนระาคอยรู้ไปบ่อยๆนี่นแหละคือการปฏิบัติหละ่ะหลวงพฝึกมาไม่ได้ยากอะไรหลวงพ่ไปหาหลวงปู่ดุลย์ เมื่อปีสองพันหารยี่สิบห้าวันที่หกกุมภาก่อนหน้านัา้นตั้งแต่เจ็ดขวบเนี่ย่านมายี่สิบสองปีเราก็ฝึกแต่สมถะก็ขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นทำแต่สมถะหายใจเราก็สงบไปได้่อยๆนปีสองห้านะจากปีศูนย์สองมาถึงปีสองห้าทำแต่สมถะสองห้าแล้วถึงเจอโลงปุดุลหลวงปูดุลสอนหลวงข้อง่ายๆบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยาก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 ตอนนั้นเป็นข้าราช ก, การนะหรือ น, นอนขึ้นมาแล้วนึกขึ้นได้ว่าวันนี้วันจันรนะใจแห้งแล้งเลยตอนนึกได้ว่าวันนี้มันสุกนะแม้มันมีความสุขจริงๆริันพฤหัส ก, ก็ดีนะรู้สึกสดชื่นวันพุธเนี่ยวันขี้เกียจที่สุดเลยวันอังคารเนี่ยเซ็งมากยวันจันนี้ก็ขี้เกียจเบือ่ออะไรเงี้ยไม่อยากจะไปทํางานนี่ข้าราช ก, การนะต้องเราทําำหนี้คงเจ๊งเลย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 หลวงพ่อภาวนาในวิจิางที่ว่านี้่จะกินข้าวนะเราก็ดูใจของเราเช่นเจอกับข้าวอร่อยเราพอใจเจอของไม่อร่อยเราไม่พอใจเราจะนั่งรถไปนะวันนี้เจอแต่ไฟแดงใจเราหงุดหงิด น, นะเจอไฟเฉียวบ่อยๆเราสดชื่นวันนี้รถติดมากแนละ้วเรากลัวว่าจะไปทํำ ง, งานไม่ทันกังวลกลัวว่านักคนไว้แล้วไปไม่ทันใจกังวลในความรู้สึกมันจะเกิดตลอดเวลา เราตามตัวไปในชีวิตธรรมดาของเร็วนี้แหละดูง่ายๆดูไปไม่ต้องคิดคำว่าปฏิบัติทําเลยก็ได้นะะการปฏิบัติธรรมที่กลมกลืนอยู่ในชีวิตจริงๆนั้นมันทำได้ทั้งวันส่วนการจะไปนั่งสมาธิเดินโยมกลมตามรูปแบบในวันหนึ่งจะทําได้สักเท่าไหร่เชียววันหนึ่งวันหนึ่งนะถ้าเราจเจริญสติในชีวิตประจําวันได้เข้าก็าเราปฏิบัติอยู่ทั้งวันนึงจะนั่งรถจะนั่งเรือจะคุยกับคนเจะเจอใคร ใจของเราเนี่ไม่เหมือนกันคนอย่างเราเจอคนบางคนเราก็สบใจรู้สึกไหมเจอคนบางคนเราก็เกลียดที่หน้าแล้วยังไม่ทันพูดกันเราก็ใจเราก็เกลียดขึ้นมาเนี่ยให้เราเคยรู้ใจเราเราไปเราไม่ต้องไปเรียกร้องให้คนอื่นมารู้ใจเรานะครับรู้ใจเองไปบ่อยๆรู้ใจเรื่อยๆลงวงพ่อฝึกอยู่อย่างเงี้เยเจ็เดือนฝืกอยู่เจ็ดเดือนนะวันหนึ่งออกจากที่ทํางานไปเย็นพายุ ม, มาลมมันแรงแล้วมันพัดตีร่มพัดไปหมดเลย อนนั้นไม่ได้ขับเคอเก่งเราเห็นเร่อยจกการอย่างชั้นผู้น้อยอยู่ออกมาจากที่ทํางานแล้วลมมันตีร่วมเราพับไปหมดเราเกลียยทั้งตัวเราเป็นเกลี่ยในใจในกังวลกังวลว่าเฮ้เราเกลียยฝนอย่างนี้เดี๋ยวเราร้องไม่สบายใจในกังวลขึ้นมานี้เราเคยฝึกดูใจของเราจนชํานาญพอใจกังวลปั๊บนะสติมันเราลึกรู้เลยมันรู้ทันเห็นความกังวลที่ขุดขึ้นมาปั๊บกังวลมัะดับตรงตันเลย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 การที่เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างโชคราวในใจเราจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางเช่นความสุขเกิดขึ้นแล้วเราก auster, teamwork, water, projects, ็ไม่หลงระเริงแลเรารู้ว่าของโชคราวความทุกข์เกิดขึน there, from, to to ้นแล้วเราก็ไม่เดือดร้อนเรารู้ว่าโชคราวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรๆเกิดขึ้นเราก็เห็นโชคราวไปหมดใจเราก็ไม่กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงใ่เราเข้าสู่ความเป็นกลางตอนนี้เราสามารถรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างด้วยใจที่เป็นกลางได้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 ในกายนี้ก็เป็นแค่รูปธรรมเกิดสืบเนื่องกันไปในจิตใจก็เป็นนามาทำเกิดสืบเนื่องกันไปไม่มีตัวตนที่ถาวรเพราะมันไม่มีตัวเราแล้วใครจะทุกข์ต่อไปนี้กายมันทุกข์ใจมันทุกข์แต่ไม่ใช่เราทุกข์อีกหลือกายมันทุกข์ใจมันทุกข์แต่ไม่ใช่เราทุกข์ฝึกมากเข้ามากเข้านานจนปัญญามันแก่รอบจริงๆเนี่ยมันจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้ต่อไปนี้กายจะทุกข์ใจจะทุกข์น้ำมันไม่กระเทือนอีกต่อไปเลยต่อหน้านะเบื้องต้น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 หลุดออกจากการที่ถือใจยึดถือใจนะจะเห็นปัานิพานเต็มต่อหน้าต่อตาเราชีวิตทีมีความสุขบริบูรณ์อยู่ในตอนนี้ไม่มีเสื่อมอีกต่อไปแล้วไอ้มากุลนิพานไม่ใช่เรื่องเหนือวิสัยมากุลนิพานไม่ใช่โลกในจินตนาการคือโรคในอุดมคติไม่ใช่อยูโทเกียแต่เป็นของจริงที่มีจริงๆอยู่ต่อหน้าต่อตาเราจริงๆคนจริงก็จะได้เห็นของจริงคนหยาบๆใหญ่ๆนั้นขี้เกียจขี้คลานก็ไม่ได้เห็นของจริง แต่คนจะภาวนาจริงๆได้แนละ้นก็ภาวนาถูกหลักด้วยถ้าภาวนาผิดเนะี่ยก็ไม่เห็นของจริงเองเพราภาวนาผิดแนละ้วยก็บังคับใจให้นิ่งให้สั่งให้ตื่นนะท่องยมอึดปีจำควรระวังนะคือสั่งเมยที่ฝึกอยู่ไม่เอาแลยนะเริ่มได้เริ่มเริเ่มีันจมมานบังคับตัวเองแล้วเราฝึกนะเราฝึกแล้ววันหนึ่งเราจะได้รูความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่ไม่ยิงอาศัยอะไร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 เรายังไม่ได้เห็นความจริงเไม่แล้วยังไม่มีโวกตาเห็นธรรมะเลยเราค่อยๆฝึดนะฝึกโดยจิตโดยใจตัวเองไปเรื่อยๆอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่แหละทุกวันตั้งแต่ตื่นนอนแนละ้วดูความรู้สึกของตัวเองไปเรื่เราจะไปคุยกับลูกค้าเห็นไหมลูกค้าคนที่เห็นหน้าเราก็ควรกระสานเราแล้วเรากนะนะ็รู้ทันนะรู้ทันความเกลียดชังเข้ามานหายคุณอยู่ข้องหาอะไรหาประกันง่ายเลย ใจเราหลงรงเบาแล้วใจเรามีความสงบเขาเข้าใกล้เราเนั้นะเขาจะไม่ตัางกากหรอกแต่ถ้าเราเครียด ล, ลูกค้ามันกลัวนะไม่รู้มันจะมาห ไ, หไหมนะไหมฝึกไว้น่ะมันจะหาประกันง่ายฝึกใจของเราเนี่ยดูทันรู้ทันใจของเราไปเรื่อยๆต่อไป น, นะใจเราเบิกบานใจเราสดใสเข้าใกล้ใครเขาก็มีความสงบไม่ใช่เข้าใกล้ไขรเพราะเขารู้ว่าจะมาถายประกันกระทั้งร้อผ ลราฝึกนะอยู่ในทางโอกเราก็จะได้ประโยชน์ขึ้นในทางจิตใจเราก็จะมีความ ส, สุขมากขึ้นเป็นไปได้เรื่อยไม่ยากอะไรคอยรู้ทันใจของตัวเองบ่อยๆฝึกเท่านี้เลยไหวไ้ยถามทุกที่ถามทุกคน่ไหวไหมไหวไม่ทํามานก็ไม่ก่อนเอาไว้แกล้ง แ, แล้วค่อยทําคนแก่ทายากนะนี่ฝึกตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวเห็คนที่ไปเรียนกับหลวอเนี่ยฝึกตั้งแต่เด็กๆเยอะ เด็กเจ็ดวบแปดขวบเก้าวบสิบขวบเนี่าวนาเก่งเวลาเด็กๆส่งกันบ้านบางทีฝึกในในซีดีก็มีใช่ไห ม, มเด็กเล็กๆส่งกันบ้านน้าฟังนะขนาดคลที่เรียอย่างหลวงพ่อไปนั่งฟังเด็กส่งมาบ้าน้านสันนะ่นเลยฟ้าม้วนหัวสั่นเลยนะโห้เ็กที่ส่งกันบ้านน่ากลัวจริงๆยังมีเด็กคนหนึ่งนะส่งกันบ้านบอกว่ า, าเขาปวดตา ปวดตามากเลยวันหนึ่งแล้วก็เห็นเลยร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความปวดก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้ว่ามีความปวดเนี่ยก็อีกส่วนหนึ่งเปนแยกตัวเดียวกัก็ใครทุกข์ละความปวดมันอยู่ต่างหากร่างกายไม่ได้ทุกข์นะความปวดมันแอบมาอยู่ในร่างกายร่างกายไม่ได้ปวดจิตใจก็ไม่ได้ปวดจิตใจเป็นคนรู้ว่าปวดรวมความเราไม่รู้ว่าใครทุกข์ไม่มีคนทุกข์นะและความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของ ฝึกไปนะไม่ ย, ยากเท่าที่คิดหรอกพวกเราหลายคนที่สุดกรรมฐานมาล้ม ล, ลุกคลานมาเพราะเราไม่รู้หลักเราไม่รู้หลักของการเจริญสติเราคิดแต่ว่าต้องบังคับกายบังคับใจต้องเดินทางนี้ต้องนั่งท่านี้ก็เพราะที่เจ้าไม่เคยสอนอย่างบางคนหายใจใช่ไหมที่เจ้าสอน ง, ง่ายๆที่สุดทั้งหลายหายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้ก็สอนให้รู้หายใจออกสั้นก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้ก็สอนให้รู้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 สัญญามันจะเห็นไตรลักษณ์เห็นมันไม่ใช่ตัวเราพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะว่าเจอหนึ่งเก้ามีกีจ่จังหวัดอันนี้คนรุ่นหลังมาแต่งขึ้นเองเดิน<ม>แล้วกําหนดกําหนดอนไรกลายเป็นสมถะปรมถานนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้เลยนทะ่นสอนให้รู้สึกเพรฉะนั้นการปฏิบัติมีแต่เรื่องรู้สึกรู้สึกไปเป็นจิตมีความโลภ ก, ก็รู้เหนไจิตมีความโกรธก็รู้จิตโสงสัยก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตปวดหูก็รู้ ร่างกายยืนอยู่ก็รู้เดินอยู่ก็รู้นั่งอยู่ก็รู้นอนอยู่ก็รู้มีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้ชีวิตมีอยู่คําเดียวคือคำว่ารูา้รู้อย่างที่ใจมันเป็นรู้อย่างที่ใจมันเป็นเพ่ออย่างนี้แหละมั น, นจะเด็กในใจนใจนี้มันไม่ใช่ตัวเราทํางานของมันได้เอง น, นะตึตรงนี้ไปแล้วเรกลับไปนี้คอยรู้สึกนะรู้สึกรู้ทันใจของตัวเองบ่ยอยๆรูปแบบของการปฏิบัตินะั้นก็ดีเหมือนกันแต่ว่าเป็นเรื่องรอง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 กี้วก็ไปคนเดียวกันในเรียนหนึ่งคนแล้วก็ชีวิต จ, จิตใจเปลี่ยนคนในบ้านเนี่ยเขารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบ้านมาเรียนที่บ้านหลวงพ่อจะมาเป็นครอบครัวเยอะมาเป็นครอบครัวไม่ต้องเชื้อเชื่อเลยนะหมันกันเนยอะแยะอะไรชีวิตทุกเปลี่ยนจริงๆอ่ะอไปไปจนใครจะคุยต้องต้องคุยอยู่คนเดียวป้าหลงแล้วป้ามันกลับมันกลับ การไปส่งการบ้านขอพ่อนะครับแล้วในรอบที่ผ่านมาก็ต่ตื่นเองตามเป็นชีวตประจวันตอนนี้ก็เลยอยกส่งการบ้านทุกเช้าเนี่ยพอเริ่มตื่นก็เริ่มดูเริ่มแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะหลงไปแล้วก็ถามอีกก็รสึกไหเราเปล่นรู้สึกมีจิตใจเราเปล่ยนจิตใจเราโปร่งโล่งเบาจิตใจเราเริ่มเริ่มเริ่มเร่ตัวขวาทุกสั้นลงคทุกขเบาลงรอ่ คือเายอยู่ทุกตอนเะไม่ใช่ผมเอ่อต้องสับกูได้แต่ก็พอนัเก่งแล้วก็พอนาสมัครสมรนะแบ่งเวลาไว้ช่วงหนึ่งตื่นนอนก็ได้ เน่อก่อนนอนก็ได้จริงๆเอาตั้งแต่ตืนน่นมาดีกลับบ้านไปก็หมดแรงตั้งแต่ตื่นนอนแนะนั่งสมาธิเดนจงกรมฝนมาไว้ปลายบ้านซ้อมทุกวันทุกวันแต่ตแก็ไม่ได้มีพลังโดยมีมากก็ทำตามรูปแบบของเชา้าเดินะดจงกรมก็ตั้งประมาั น, น, ะนะแต่ว่าโดยโด ย, โดยการว่าดูตามการรู้สึกการมากแล้วก็พอหลงไปก็รูงหลายๆกรณี ว่หาทํารทีใช้อยู่จบไปแล้วผมใช้ในการดูการคือเมื่อเมื่อเมื่อก่อนดูโรงพยาบาลว่ารู้สึกอึดอันะครับเคยส่งก า, กบ า, กบารบ้านหลวงพ่อหมให้กันไปตอนหลังก็เลยมาดูการแล้วก็หลงไปก็ร <ừ. S 2> ู้อือก็รู้รู้สึกจดอไิดเราเปลีย่ยนแล้วชีวิตตเปลี่ยนคนที่บ้านเขาบอกมกืองไหมวไม่เหมือนเดิม <laughs> อยู่ <laughs> คนเดียวรนะับ <laughs> คนเดียวบาคนก็มาถามหลวงบ้านไหนนะหลวงพ่อ การสักการ์ดขนพ่อครับมีโอกาสได้ฟังเี่งดีของพ่ออยู่บ่อยๆเหมือนกันหลวงพ่อครับตัวผมเองเนี่ยเวลาคิดเนี่ยนะครับมันรู้สึกตัวเองว่าคิดติดๆๆๆกันตลอดเลยหลวงพ่อคิดแล้วก็หายติดไปเรื่อยๆเงี้ยไม่ไปยหยุดคิดครับก็จะได้ฝึกให้หยุดคิดแล้วครับแล้วก็ในเรื่องของวงการเวลาโทรสารหลวงโทรศสารตอนนี้เนี่ยมันสั้นลงก็จริงแต่ยังรู้สึกตัวเองมยังยาวอยู่นะครับหลวงพ่อยาวสิ ถ้าเรารู้สึกว่ายาวเกินไปนะเพราะว่าเราอยากให้สั้นไม่ว่าอะไร น, นะอย่างความสุขเนี่ยเรารู้สึกว่ามันสั้นเกินไปเพรเราอยากให้ยาวครับเป็นสัมผัสนะแต่ถ้าเรารู้อย่างเป็นกลางโทรศัพท์มันก็ยาวพอดีกับเหตุของมันนัอะไรครับคุณพ่อครับอยากเรียนพ่อได้ให้กับบ้านดึงแนะนําครับคุณพ่อครับให้สังเกตใจนะอย่าไปบังคับมันอย่าบังคับอยู่ทำในรูปแบ บ, บ่บ้าง ทำสม่ำเสมอนะรับผมแต่ว่าแรงมันจะน้อยแต่ครับแล้วมาสการเจาค่ะหรือเป็นแต่ทันแท้อีกคนหนึ่งค่ะแล้วก็แต่ว่าเวลาฟังซีดีกับเวลามาอยู่ต่านไ้จิตไม้เหมือนเดิมค่ะเจิตเราตื่นขึ้นมาแลเมื่อจิตเราตื่นขึ้นมารู้สึกไม่รอบอยู่ห่างๆเห็นไหมร่างกายก็อยู่ห่างๆความสุขความทุกข์กุศลอกุศลมันเริ่มห่างออกไป ใจเราก็เป็นกลางเป็นอิสระมีความสุขเป็นตัวของตัวเองได้เยอะขึ้นดีขึ้นนะเพราะวาเวลาหนูพิจารณาแบบว่าที่เห็นเป็นแบบว่าขันธ์ห้าที่แยกออกมาเป็นองกองนีล้วค่ะเป็นแยกเองเนี่ยเือพระใจเราตั้งมั่นเรามีสตินะแล้วก็มีสมาสมาธิมีสติคือร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคื่อไหวรู้สึกมีสัมาสมาธิใจตั้งมั่นขึ้นเป็นเหมือนเป็นคนดูเฉย แล้วขันจะแยกตัวออกมเป็นของของเดีนี้เรียกว่าถึงกว่าเป็นกลางไม่เจ้าพระนองก็ยังไม่กลางจริงจริงเดี๋ย<ๆ>แต่ว่าขันมันแยกตัวออกมาการที่ขันแยกตัวออกมาเนี่เป็นจุดตั้นต้นของการเจริญปัญญาเไม่ว่านามรูปปาริเฉชยานนามระรูปทูก ร, ระธรรมนามมาทำแยกตัวออกขันแยกตัวออกไปเพราะขันแต่ละขันแยกตัวออกไปแล้วขันแต่ละขันจะไม่มีตัวเราดูอกไหมดูออกที่ั่นเราก็จะเจริญนิพพานสมาของเราไปได้เอง เห็นเลยขันมันทางานไม่ใช่เรานะเครเห็นเลยใจมันโกรธไม่ใช่เราโกรธร่างกายมันมั่งไม่ใช่เรานั่งเห็นบ่อยเลครัค่อแหลดีนะที่ภาวนาอยิ่ใช้ได้โจีบในต่อไปต้งเรืองพที่ยังไม่เป็นก็หัหัดเท่านนแล้วสั่งกนเหอย่านะ ไ, จจไปน้อมแจงซึมสร็จอมจงที่สบายสบายแต่ให้เป็นธรรมชาติตอนน้นที่หนัง่จะทำอย่างนี่นที่ทาไม่ได้ ทำไม่ได้นะรู้อย่างที่มันเป็นยิ่งที่จะที่ ม, ๆๆมาเรารู้มันติดเต้นเรารู้อจะไปกดมันเราก็ใช้วิธีน้ําใจให้ซึมอย่าหนีด้วยการทำตัวให้สึมซึเพราะว่าไปหนีไม่ได้นย้ดมือไม่ได้สึมซึมบ้างมันมีแน่นงค่ะหนีเราก็รู้ว่าหนีเพ่งแก้ก็แก้องไม่ได้ให้เรารู้ทันใจที่ไม่ชอบอะเวลาที่เราเห็นสภาวะแล้วเนี่ย ให้เรารู้ทันความผินดีพินไร้ที่เกิดขึ้นให้ความมันแน่นความแน่นเป็นสภาวะนหนึ่งมันแน่นขึ้นมาแล้วใจเราไม่ชอบให่รู้ตรงที่ไม่ชอบไม่ใช่รู้ตรงที่แน่นเราดูติดตัวเราไปดูตัวแน่นเมื่อไรจะหายแน่นยิ่งจงใจดูจิ่งแน่นสิเพราะตัวแน่นเป็นตัวบนะิดาเป็นแก้ไขการทำกรรมกรรมก็คือการจี้จ้องไว้กรรมมาจากกิเลสอยากดีจี้จ้อง เหมือนกับว่าพอตอนเราอยากจะดูอยากจะดูมันก็มัก็เลยควาแน่นแล้วนั่นไม่ไม่แบบดีแบบไม่รู้ว่าอยากครับถ้าอยากรู้รู้ว่าอยากดูแน่นแล้วไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบดูอย่างนี้นะเรียกรู้จิตตัวเองไม่ใช่ดูแน่นเมื่อไหร่จะหายแน่นอย่างนี้ไม่ใช่เห็นโกรธขึ้นมาก็ไหร่จะหายโกรธอันนี้ไม่ใช่รู้ทุกอย่างแต่ใจไม่เป็นกลางใจดีขึ้นมารู้ทันใจยินร้ายขึ้นมารู้ทัน หพราะว่าถ้าวันนี้มีใจที่เ่นโอกาสทโลกกับทางมืด้วยเขาก็ฟังส่อหลวงอมาพนคนก็เคยคถามว่าปิบัดยังไงเราก็ตอบไม่ค่อยถูกเพราะชสอนด้วเนี่น่เนดีข่าวสามีามเข า, <c oughs> ถาถามแล้วตอบสายอยา่าคิดเยอะให้คสังเกตความรู้สึกของเราบ่อย ใครดูความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆรู้ทันมันบ่อยๆอย่างตอนนี้ใจยิ่มมาอยู่ที่หลวงพอ่อดูออกไหมใจเราที่รู้ไปหาหลวงพ่อแล้วให้เรารู้ทันวนะ่วใจตอนนี้ใจแอแบอิจฉาทราบไหมให้ค่อยรู้ความเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเราบอ่อยๆอย่างตอ น, นี้ใจไม่แอบอิจถ้าดูไม่ออกก็ดูกายกันดูกายก็ได้ดูใจก็ได้ลูกสาวแต่งบ้าลูกสาวรวยจะแย่แล้ว <c oughs> เขาเคยหัหนั่งสมาธิไปอยู่วัดบารังครั้งแล้วเขาก็นั่งสมาธิก็ใช้ได้ไหนหัวนั่งหรือนั่งสมาธิก็ใช้ได้นะอย่าอย่างนั่งให้ซึมของคนที่นั่งมา น, น, นั้นนั่งน้อมนิ่งนั่ง น, น, น้อให้ซึม น, นั่งแต่และโมหังไปเยอะไม่ดีอยาย่านั่งใหม่แล้วนั่งเรารู้สึกตัว นั่งก็เห็นร่างกายมันนั่งนั่งก็เห็นร่างกายมันหายใจใจของเราเป็นคนดูค่อยๆฝึกแยกกายแยกใจเรื่อยๆเมื่อเราหันภาวนานะหันแยกกายแยกใจเรื่อยๆนั่งสมาธิอยู่ก็เห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นแค่คนดูดูไปดูไปใจแอบไปคิดที่อื่นรู้ทันว่าใจลงไปคิดแะเนี่ยไปนั่งรู้กายไปนั่งรู้ใจเรือยๆอย่านั่งให้นิ่งอย่านั่งให้ซึมซึมไป กรมรสกการหลวงพ่อจค่ะคือเคยปฏิบัติในลักษณะรูแปแบบมาค่อนขอ้างจะหลายปี<ม>แต่ก็รู้สึกว่ามันมันมันรู้ว่าการพอมีสมาธิแล้วก็พุ่งสร้าง<ม>ทีนั้นมีความรู้สึกว่าพอได้ได้ไปฟังหลวงพ่อที่สวนสติธรรมก็มีความรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนในลักษณะของดงจิตในชีวิตประจําวันแต่เหมือนกับที่ผ่านมาเราเรามีวิธีการแบบนั้นมาก็ เะนนัไมื่อเส็ยแล้วต้องไปเปลี่ยนอะไรเลยเราต่อยอดจากของเดิมก็ได้ของเดิมทําอะไรยุบท้องแล้วค่ะดูร่างกายมันทองดูร่างกายยุบใจเราเป็นคนดูอย่ากําหนดของยุบที่ฝึกแล้วพลาดก่งมากนะเพราะว่าเวลาไปดูเท้องของยุบนี้ยจิตไหลไปอยู่ที่ท้องการที่จิตไหลจะอยู่ที่ท้องหรือเวลาเดินจงกรมจิตไหลที่อยู่ที่เท้ททททเา ม, ทททมันคือการเพ่งตัวอารมณ์เอาท้องเป็นอารมณ์เอาเท้าเป็นอารมณ์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 หัแกยกกูเห็นร่างกายมันของร่างกายมันยุบใจเราเป็นคนดูเดี๋ยวต่อไปใจมันโล่มันจนมันโหลกใจเป็นคนดูฝึกอย่างนี้รๆมันก็ทั้งมีใจเป็นคนดูสบายสบายดูสบายสบายก็จะเห็ว่าวิธีการที่เคยปฏิบัติอย่านี้้องเปี่นิดเดียเปลี่ยที่ทางเดี๋ยวเป็นสมถะคนรุ่นก่อนเขารู้นะว่าเป็นสมถะแต่คนรุ่นหลังเนี่ยไม่รู้ซะแล้วไปชื่อว่าเป็นปนิพพาน คนรุ่นหลังเนี่ยเรียนฉับชฉวยก็เลยคิดว่าเป็นกำหนดเไม่ได้เราเป็นนิพพานาอย่างกันเดินจงกรงไปแล้วรู้สึกตัวลอยตัวเบาตัวโคลงใช้ไหมบางทีรู้สึกเหมือนอะไรมาไปนี่เรื่องของสมถะทั้งนั้นไม่ใช่นิพพานนะแต่ชั้นสอนไปก่อนให้มีกําลังใจให้ปิบัติเองก่อนค่อยๆไปต่อยอดนะแล้วอาจารย์ก็ไม่ดีว่าหนูเออจะถามต่อเนื่องเพราะว่านื่อจากว่า ตัวเองนะต้องการใมีกำลังตสติเยอะนะคะก็จะอาศัยรูปแบบเนาะบันนีก็เป็นสุดเป็นครอสแต่ว่าหลังๆเนาะเป็นเป็นปครอสก็จริงนะคะแต่ว่าให้ความรู้สึกตายแ้วก็เป็นผมไม่ทราบว่าต้องต้องแก้ไขอไรบางครั้รนะ ง, ง, ร ง, งรู้สึกเหมือนพ่ เ, เ ล, น ล, ล, ล่นค <c oughs> ่ะ <c oughs> ี่กำหนดนันละคือเพ่งเราไปแปลสติผิดนะสติไม่ได้แปลว่ากำหนด สติเพราะความระลึกได้สติระลึกได้ะถึงความมีอยู่ของกายถึงความมีอยู่ของใจ <S S แล้วก็สติเกิดจากทีระสัญญาเป็การที่จิตจำสภาวะแม่น จิตจำสภาวะแม่นเพอาะเราหดูสภาวะบ่อย่อยนี้เช่นมันรบก็รู้มันโกรธก็รู้มันโกรธก็รู้หัดดูบ่อยๆอย่างนี้แล้วสติเกิดเพ่งตลอดตื่เต้นไม่เป็นไรจิตมันตื่นเต้นเองแต่เราไม่ชอบความตื่นเต็นเราตเข่งเลยปัญหาคือเพ่งไม่ใช่ปัญหาคือตื่นเต้นแล้วหนูต้องกลับเปลี่ยนยังไงคะตเลปฏิบัติแล้วก็ปล่อยให้กายมันทางานให้จิตมันทำงานถือสิ่ห้าไว้ ปล่อยให้กายให้ใจทํางานแล้วมีสติตามดูมันไปคือแค่เป็นธรรมชาตินะคือแค่ไหก็ต้องห่างรูปแบบไปแล้วก็มารู้ตัวคือเนกำหนดนะแล้วก็หลังหลังก็กำหนดน้อยแล้วค่ะคือไม่รู้สึกตัวยังรู้สึกไปแล้วเห็นการมันทํางานเป็นจิตมันทางานตอนนี้ตัวเองรู้สึกแต่เห็นแต่เวทนาในตัวเองแล้วรู้สึกเบื่อตัวเวทนาเบื่ตัวเวทนานี้ ให้รู้ต่างเลยนะใจไม่ชอบเวทนาใจยินร้ายต่อเวทนาฝึกเหมือนเด็กที่หลวงพ่อเล่าแต่เคี้ยว<ม>เขาก็มีเวทนาแล้วนะก็ปวดตานะเาราปวดที่ไหนก็ได้ไม่เป็นไร<ม>ดูไปเรื่อยความปวดก็ส่วนหนึ่งนะก็ร่างกายก็ส่วนหนึ่งคลนละอั ก, กันแล้วจิตก็อยู่อีกส่วนหนึ่งคละอัน ก, กันนี่พอมันปวดขึ้นมาในจะเราไม่ชอบใจเรานั้นเป็นกลางเราทิ้นรนโัวที่ใจเราทิ้นรนนละ้นใจเรามีความทุกข์ จิตได้ร่างกายเป็นทุกข์นะแต่พอใจเราไม่ชอบใจเราดิ้นนใจเราเลยปล่อยทุกข์โดยที่ว่าทุกครั้งที่สองค่อยฝึกแนละ้วจะเหลือทุกข์อันเดียวมันทุกข์ทีท่ใจเปใจไม่ทุกข์แล้วที่หนูปฏิบัติทุกวันมันถูกต้องนหมคะอย่าน้อนให้ซึมนะยังกดจิตอยู่นิดหน่อยแล้วก็ทําในรูปแบบบ้างถ้าเดินไม่ไหวก็วนั่งขยับอะไรเข้าไปกระดุกกระดิกไปแล้วก็ค่อยเห็นร่างกายมันทำงานไปเรื่ค่อยรู้สึกร่างกายบ่อยๆ ใจลอยละในกผมทองเว็บกรรมการจะท่หนูได้ฟัง c ีดีาาจารย์ตลอดนะคะก็จะรู้สึกว่ารู้ว่าหนึ่งนะ ค, ค่ ะ, คะโยมที่ส่งใันบ้างเสร็จตะเกียบรู้สึกไหมเวลาเราลงไปรู้จิตเรากระโจนลงไปรู้เมื่อกี้นี้จิตมันถล่งไปรู้ตัวนี้แหละรเรียกว่าขาดสัมมาสมาธิจิตไม่ตั้งมั่น รเราก็เตรีย่ยนเทปให้ฟังคล้ายๆเราไปดูพุทอรเราต้องนั่งอยู่บนอัคจันนะนะั่งพุทธรวิ่งอยู่ในสนามในจิตของโยนไปกีเนี่ยก็โดดลงไปกลางสนามพุทอรนะทำอย่างนั้นน่ะไม่ถูกแล้วเราเห็นเลยจิตเรากระโดดลงไปเรารู้ทันเดขึ้นมาเองนะขึ้นมาเองไม่ใช่เริ่มสัมรวมแล้วเห็นไหมจิตได้แไปตรงนี้และเอาจะทำ แล้วก็จะรู้ว่าเราเผลออยู่นี้ื่ อ, อยๆค่ะขณะขับรถไปเดี๋อีกทีเอาอีกแล้ว <c oughs> ลงไปอยู่กลางสนามบอนอีกนะนึกออกหรือเปล่าตรงนี้แหละที่จิตอยู่แต่ถ้าถ้ารู้ทันตรงนี้นะนะนนนะจิตจะถอนขึ้นมาเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นจิตใจจะตื่นขึ้นมาได้รู้สึกไหมจิตขณะนี้มั น, ม, นมืนตื่นขึ้นมานี่แหละคือภาวะแห่งความ ต, ตื่นแต่ตรงนี้ไม่ใช่ลนะตรงนี้ก็พองไว้ลนะ เราเรียกแทรกแสงมันแลหลายๆครั้งที่สวดมนต์กลางคืนกลางคืนนะคะแล้วก็จะนั่งนิ่งๆแต่จะเห็นว่าใจเราเนี่ยไปไปคิดเรื่องอื่นอยู่เรื่อยๆนะค่ะแล้วก็จะเดิงกลับมาใหม่ว่าอ่ะนั่งนิ่งๆใหม่อีกรอบอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะดูนี้ตลอดนะคะเการที่เราสวดมนต์แล้วเราเห็นใจมันวิ่งไปทันทีดีแล้วต่อไปนี้เอานะ ส่วนไปเลยฮะฮะลาฮั่งซ้ำมาใจหีแวบบ๊บแต่รู้ทันไม่ดึงรู้เฉยๆอย่าดึงถ้าดึงมเราจะแน่นซ้ำพุดโตพัชวา น, นีไปแล้วรู้ทันอีกอไปส่วดนนะ้แล้วก็ดูทันรู้ทันใต่ที่ไหลแวบบ๊แบบแวบแบว๊ไม่ใช่ห้ามไม่ให้ไปนะแต่ไปแล้วรู้ไวไปไปฝึกอย่างเนี้แล้วสติจะเกิดค่ะแล้วก็รู้ว่าทุกเราลดลงเจ้าค่ะแน่นอนละ่ะถ้ารู้ทันใจที่ไหลใจทุกทางใจจะลดลง เขาทุกทางใจ เ, เกิดตอนเหลอเท่านั้นถ้าไม่เหลอไว้ทุกหร อ, อกน่แหละเหลอคนที่นั่งคนที่สามากลังเหลืออยู่พยักหนรกากแตหลวงพ่อแต่เหลือมีไอคิดแต่ไปคิดเลยหนะรู้ทันว่าหี่คิดไปปลูกไทแดงอะไรเพ่งเลยไ <c ười> อย้เพ่งเหมืนหอนปล่อยมืออสัการค่ะก็ก็รู้จิตเป็นระยะระยะค่ะ แล้วก็มีวันก็คือกำลังนั่ขับรถอยู่แล้วอยู่ปุ๊บก็เห็นจิตที่มันปลาที่หมดที่จิตมันกระดิกแล้วก็เกิดความเบิกบานใน<อ>จิตที่มาทำไมเบิกบานมันไม่ได้เบิกบานเพราะกระดิกแต่มันเบิกบานก็ ร, รู้ทางการกระดิกของมันนั้นแหละสติที่แท้เกิดขึ้นมาแล้วจิตจะเป็นกุศลฉับลังจิตที่เป็นกุศลมีสมานะเวทนานะมีความสุขขึ้นมา<ช>มีความสุขเองที่หลวงพ่อบอกเองง่ายเลยพอเริ่มฝึกเนียพอมีสติก็มีความสุขละ แต่ที่เล่าหลบพ่อว่านั่งขับรถก็เป็นเรื่องปกติสมัยหลวพ่อเด็กๆมีคนยืนขับรถคือพวกขับรถร้านเดี๋ยวนี้ก็ต้องนั่งขับรถสูกแล้วแล้วก็มีวันหลังนี่ก็เริ่มเห็นก็เห็นมันอยู่ๆก็มันเดินอยู่เนี้ยค่ะมันก็จิตมันก็ชื้นชื้นแบบมีความสุขเล็ก ข, ขึ้นมาเห<อ>มือนลิสิตนะคะ<อ>ก็เลยหลังจากนั้นก็อยู่ก็จูมันว่ามันจะเป็นยังไงมันก็ประคองอย่างเงี้ยไปเรื่อไว้ ไม่ต้องไม่ต้องรักษานะรูะ้เฉยๆความสุขมันจะเฉยขึ้นมาแถวๆอยู่เรื่อยๆไม่หักตอนที่เราหักแล้วเกิดสติใหม่ๆนะั้นจะมีความสุขฝุดขึ้นมาเป็นระยะระยะแต่ต่อไปมันเกิดบ่อยๆแนละ้วจิตชินชินมันจะไม่รู้สึกสุขมากนะจะเป็นอุเบกขามากขึ้นจิต ท, ที่เป็นกุศลนนะัจะมีเวทนาสองชนิดนะคือสมณะเวทนามีความสุขกับอุเบกขาเวทนาเป็นกลาง จะไม่มีความถูกทางใจแล้วพอดีหนูเจอสภาวะก็คือมีคนแบบมาทําร้ายจิตใจเราอย่างนี้ค่ะแล้วก็<น>แล้วก็หนูหนูรู้ไหมตรงที่เล่เาหนูว่ามาัเขามาทําร้ายจิตใจเราอ่ะรู้สึกไหมตรงคาว่าเรานเนี้ยมันมีความรู้สึกวองมีเราจริงๆเนี้ยให้รู้ทันตัวนี้นะเราจะพัฒนาเลยวเลยแล้วติดอ เราก็เห็นที่ดีที่แบบเหมือนกับอยากจะแก้แค้นแต่พอเรารู้ว่าเราไม่ทําแน่นอนเราไม่เอาปุ๊บเราก็เห็นมันว่ามันดับลุกเลยดับแล้วแน่นแน่นเปล่าเลยดับแล้วลุกดับแล้ลุกไปเลยเออถ้าลุกแล้ใช้ได้แต่คนดับแล้วแน่นแน่นนะแสดงดับด้วยกันบังคับไว้ไมงันชาวพุทธเราไม่ใช่นักเก็บกฎนะเฮี้ยมันกดลูกเดียวเลยไอ้นด้ทอนามผิดถ้าทอนามถูกไม่เก็บกฎเห็นสภาวะเกิดแเราก็ดับไปในเราสบายสบาย อันนี้นานี่หนูต้องปฏิบัติยังไงต่อไปบา้างคยดีนะีนะ่จิตก็เปลี่ยนไปเยอะนะดูออกไหมโอเคใจเราตื่นให้มันหลงโล่งเบาขึ้นมฝึกไปนะฝึก <Okay. S 2> แต่ไม่ได้ฝึกเอาตรงนี้นะเราไม่ได้ฝึกว่าเราจะต้องรู้ตัวตลอดเวลาฝึกประเทศเดี๋ยวก็รู้แล้วก็เดี๋ยวก็หลงอีกเดี๋ยวก็รู้แล้วก็หลงอีกฝึกอย่างนี้ไเรื่อยๆเราไปปัญญามันจะเกิดมันจะเกิดเลยจิตที่จะลงเราก็ห้ามไม่ได้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 ฟังสิหลวงข้อมาพอสมควรแล้ว น, นะคะแล้วก็ได้เป็นสวยประทีปมหลายครั้งรวมทั้ง เ, เปจับสลากได้ทีห้าหา้าแต่พ่อคือหลวงพ่อครัก่อนหน้านี้เนี่ยลูกจะเป็นคนที่เครียดง่ายแล้วก็ เนี่ยวลาเที่ก็จะบ่นกับพอบ้านว่าจะคิดจะแฉด้วยใไม่มีความสุขเลยที่ตัวเองทางส่ท่รนมีก็บอกให้ไปเป็นกัรมธรรมดูเขาไปปฏิบัติหลายครั้งแต่ว่าพอกลับมาก็รู้สึกมันมันก็มีความสุขชั่วระยะหนึ่งค่ะจนกระท่านได้มาเจอธรรมะของหลวงพ่อ ก็ S <S> หัดดูกายดูสิทินะคะก็มีเรามรูม้สึกว่าตัวเองเนี่ยดูกายได้ดีนะคะแต่พอมาระยะนีงลูกก็อยากจะดูสิทบ้างก็มาดูสิทนะคะก็มีเรามรูม้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันทุกข์น้อยนะคะตอนนี้ก็ไม่ไม่เคยปวดนะคะว่าในชีวิตมีความสุขรู้สึกว่ามันมีสึทดีขึ้นมีสิทธิ์นะธรรมะของข้าพเจ้าเป็นธรรมะเพื่อแ ก, ทก้ทุกข์โดยตรงทุกขี้ใจเรานะคะ แล้วถ้าไครภานาถูกต้องนะจะต้องได้ผลเร็วน้ไม่ใช่ว่าทําไปเรื่อยๆรสชาติหน้าเห็น ไ, ได้ผลนั่นําผิดนะดๆๆทํำอย่างนี้ได้ผลอย่างนี้เลก่อนหน้านี้รูกปฏิบัติลูกแบบทำคอ่ส่วนลูกหลังเนี่ยนั่นแหละเลิกทำเลิกเครียดเพาเครียดนะเราไปลาเราไปปฏิบัติมันก็ดีอะพอกลับมาบ้านแล้วมันร้ายกว่าเก่าเพราะว่าตอนที่เราไปเข้าคอร์สเข้าวัดแะไรเราเก็บกดไว้ ลูกอยากจะส่งกันว่าหลวงพ่อว่าเมื่อครั้งลูกไปที่บวชปฏิธรรมแล้วหลวงพ่อบอกว่าเให้บอกให้ลุกคนดูที่เจ้าพุทรูปเจ้าพราหมณแล้วลูกคนก็ดูหลวงพ่อบอกว่านั่นส่งผิดไปที่มาพราะเจ้ารูปบวชแล้วแล้วก็ให้ยกหมวไม่โป้งขึ้นมาต่อให้ดูลูกช่วงขณะนั้นที่ลูกยกหัวไม่โป้งขึ้นมาเนี่ย ลูกเรารู้สึกว่าจิตมหลุดออกจากกายนะคะมันเป็นข่อไม้ที่กอได้านนี้เนี่ยลูกปฏิบัตินั่งสมาธิเท่าไหร่เนี่ยลูกก็ไม่เคยรู้เลยว่าตัวกายนี้ไม่ใช่ของเรานะกายนี่คือข่อนไม้เนะี่ยเมื่อไจิตมันตื่นขึ้นมานะะจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาจะเห็นชัดเจนเลยว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราเองแค่วัตถุเองก็ไม่าตุคนที่ฝึกกับหลวงพ่อแล้วเห็นตัวนี้ตอนนี้นับไม่ท้วนละต่อไปถ้าเราฝึกไปเรื่้งเราเห็นว่าจิตเองก็ไม่ใช่ตัวเรานะเจ้ า, าสวดธรรมบัญญัต ดีฝึกไปพบ้านฉลาดมากเลยตบมือให้พี่สวัสด <c oughs> ีพ่อบ้านแต่ลูกก็มาด้วยใจขอชมชมพ้าบ้านเน่ยโอ้ตบมือให้พี่ายุลูกด้นหน่อยรอรอฝ <c oughs> ึกไปหน้าฝึกแล้วก็ชีวิตในกรอบครัจะมีความสขุขด้วยนะ แต่คุณพ่อบ้านนั่นแหะยังเก้งอยู่หมดแล้วเนี่ยหราสักนะคสัลวงพ่อคือว่าหนูเนี่ยเพิ่งกลับจากเข้าคอร์สมาเลยค่ะพอหลวงพ่อพูดเนี่ยก็เห็นภาพเห็นภาพที่เติมแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยใช่เลยค่ะแต่ทีนี้เนี่ยใช่หรอไม่ใส่รายก็คือ นเนี่ยหนูก็ใจว่าเวลานั่งสมาธิ mm hmm. ก็จะรู้สึกฟื้หลงอะไรเงี้ยค่ะแต่นี้รู้สึกว่าตัวเองเนี้ยถูกจิตการยืนสมาธิ mm hmm. เพราะว่าพอหลวงพ่อพูดพูดปุ๊บเนี่ยก็จะเหมือนเข้าใจเร็วเลยค่ะว่าดูกายดูนนนนเนี้ยดูไปได้เรายืนโด้วยความรู้สึกตัวกนะ mm hmm. ็ตอนนี้กดแล้ะตะกี้รู้สึก mm hmm. ได้อกอไหมจิตมันฟิกแวะต้องมาเพ่งปักแค่รู้สึกเงียบเพ่ง ถ้าจิตจะเท่งก็รันถ้ามันเท่งไม่เลิกนะลืมมันไปเลยไปหาอย่างอื่นทำท่านลืมลืมไปแล้วหลงไปแล้วก็รู้ว่าหลงดีกว่าเพ่งไปเรื่อยๆ<ม>บางคนกลัวหลงได้เลยเป็นเพ่งไม่าลอดเวลากล้าอย่งนี้แล้วอ่านี้ควรจะปฏิบัติยังไงบ้างดูกายไปแรกเห็นกายมันเห็ น, นแม้ร่างกายมันทะยักหน้านั่งกายมันเท่งใหมวใจเราเป็นแค่คนดู ส, ไสไ<ฮ>ุไปสบายๆอย่าจิ้าสบายๆนะถ้าจริงท้นสบายกลายเป็นเพ่งกาเลย ถาเป็นการเราใช้ไม่ได้ไงระอารยเจ้จ า, าค่ะเกินหนูอะค่ะปฏิบัติจากการในอดีตนะคะสักจาหลายปีมาสองสามปีเนี่ยในรูปแบบเยอะแล้วก็เพิ่งมาปฏิบัติแบบของหลวงพ่อนะคะ่ะที่ก็คือในตอนที่เราคิดใจเราลงไปแล้วตอนแร้ชั้นได้รู้ทันว่าใจเราลงเนี่ยใจเรามีความอยากพูดพุดขึ้นเราก็รู้ทันมันอยากมันมีแรงดันขึ้นในนั้น รู้ลงไปเรื่อย ๆ, ๆรู้ทุกอย่างที่เขาเป็นใจวิ่งมาอยู่ที่หลวพ่อก็รู้ทันเอาว่าไปก็คือตอนปัจป จ, จุบันเนี้ค่ะปฏิบัติโดยการดูจิตเป็นหลักแล้วก็เพิ่งจะเมื่อวานหรือเมื่อวนันซึ่รู้สึกแม่ใจอยากข้ามครวไม่ใช่เล่าเฉยๆนะครับลเลยเรื่องจะต้องด่วนเลยคือจะจะเรียนปรึกษาฐานหลวงพ่อว่า ที่มันแบบอยู่ๆมันวูบไปเบงๆเลยคะเคยเคือวูบคือแบบแลนดิ้งแร ง, งๆไปในอนดีตแต่ตอนนี้เนี่ยมัน e นิดเดียวเองนิดเดียวเรารู้สึกเอาใ ช, ใช่ๆนั่นเองจิตเนี่ยมันลงรวังเป็นช่วงช่วงช่วงลงอยู่ตลอดเวลาเวลามันขึ้นนิดเียมารับอารมณ์แนละ้วพอสวดนิดเียวมลงระวังวงุบตรงแก้มแล้วขึ้นมาใหม่ไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีเป็นปฏกิริยที่เป็นอย่างนั้นแล้วที่ปัจิบัติอยู่นี่ํามากเลยแค่สบายแบบนี้นะ นนดูไปได้ดูดูจิตจะได้เลย<ม>ในกอดที่นั่งกับพื้นนะอย่าเครียดนั่งนะ <c oughs> สุดน้ายดูสบายสบายดูไปสบายในกดมันกลัวหลวงพ่อมาก <c oughs> นักวชการค่ะหลวงพอ่อบางทีดีหลวงพ่อค่ะแล้วก็ปฏิบัติมันเรื่ยแล้ว เหิไปแล้วก็รูแงแล้วก็แข้งแล้วก็ก็เทะอะไรนั่นก็มันอมล่หมันปลอมปลอม็จริงๆมันปลอมปลอมนะแต่ว่าไม่ตน่ว่าเห็นจริงว่าคิดแค่ไห้เอจ ร, จริงๆรนะแต่ต้องดูให้สบายสบายดูเร่เงเร่งไ่งตอนนี้ตื่นเต้นแล้วต้อ ง, <c oughs> องมีรูปแบบของการปฏิบัติบ้าง แต่งเวลาไว้ตื่นนอนเช้าๆอะไรเงี้ยมาเดินบ้าเดินแล้วเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูเลยผู้หญิงนี่บ่อยๆไม่ได้มีแรงต้งแต่ละวันเราต้องจิตตลอดเวลาถึงลุกหรือคนนอนย่อมหรือนนี้นะคเสียพลังของคิด่ะตตอนจะมาทํางานแล้วเราซ้อมของเราวันนั้นเราจะทํางานอย่างสดชื่นคุักการงานหลวงพ่อตอนนี้ตื่นเต้งค่ะฟังทีหลวงพ่อมาได้ประมาณสักสองเดือนนะคะ เราก็พยายามจะฝึกดูตามในซีดีแต่ว่าเท่าที่สังเกตไปเองก็คือว่าเราจะดูรู้เฉพาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นทันช้าอย่างเช่นว่าพ่าโทสะเกิดแย่งจะเห็นปนริจจ์แต่แต่ว่า พ, พอตื่นอยู่พอใช้ได้แล้ว แต่ว่าพอเป็นภาวะกลางๆเนี่ยเราก็จะดูออกแค่ว่าเอ๊ะมันกลางๆ ม, มันเยฉยๆแต่ว่ามันมันก็ยังเป็นอย่างนี้มาหลายอาทิตย์แล้วมันไม่ดูชัดขคุณพี่ให้รู้ทันเลยว่าอยากดูให้ชัด <c oughs> ที่ฝึกอยู่ในใช้ได้แล้วจิตก <c oughs> ็เริ่มตื่นขึ้นมาไม่จําเป็นว่าต้องรู้ทั้งหมดนะอัดใหม่ๆ ม, มันจะรู้แต่อารมณ์ที่อยากอารมณ์ที่อย า, อาก เ, ยเนี่ยอารมณ์โกรธอะไรเงี้ยจะเป็นของอยากดูง่ายที่สุดโมโหขึ้นมาแล้วมันดูง่าย อารมณ์สบายสบายอารมณ์เหลือเฟือเฟื่อเฟือนี้ดูยากไม่จําเป็นต้องดูได้เนยเรื่องต้นโกรธขึ้นมาก็รู้อะไรกรู้ต่อไปมันละเอียดขึ้นเร็วทีนี้มีเรื่องสีรีถามหลวงพ่อคือว่าคือปกติตัวเองเนี่ยจะเป็นคนที่โธษะแรงอย่างมาที่บ้านที่เรียกไว้เนี่ยถ้าเขาทําอะไรไม่ถูกเนี่ยเราก็ไม่ค่อยพอใจแต่เนี้ยตั้งมาฟังสิริหลวงพ่อมาเนี่ยตัวบทว่าเขาว่าไปจัดโซฟาเราก็รู้อจัดโซฟาแล้วเราก็ไม่โกรธเขาเราก็ไม่แน่ใจว่าที่เราไม่โกรธเนี่ย เพราะว่าจตโรเฉยหรือเปล่าไม่เฉยนะเนี่ยแอคทีฟอยู่นีเ่เมื่อวาน ล, ล่าสุดเนี่ยเรากลังออจะกินกาแฟนะก็ปรากดว่าเขาก็กระโดดกระโดดต้อลม้มแล้วก็กาแฟต้องบกสือก็หล่นเราก็เฉยมากเลยเราไม่รู้สึกอะไรเลยเราก็รกู้สึกว่าจีโรเฉยหรือเปล่าแลต้องเราต้องตัดตอนกันบ้างเบี้ยวขาอย่างเดียว ่หห่อาไไรมมด้ใชคือเราเราไม่ทำเพราะโกรธนะแต่เราทำเพราะสมควรที่จะต้า อ, อบรมคนละเรื่องแต่ก่อนเราเราโมโหเราก็ซัดเอาเลยอย่างเงี้ยอันนั้นทำเพราะโกรธสะเป็นบาปงั้นไม่ใช่ว่าเออารอะไรก็อุเบกขาอุเบกขานะบางคนรูกติดยาก็อุเบกขาไม่ใช่นะทำกินหน้าที่แล้วแต่ว่าไม่ได้ทำเพราะโกรธเราก็คุ้นเคย อะไรน้านักสการ์นุ่นครับผมเคยฟังซีดีของท่านมาสองครั้งแต่ว่าพิธามายพรผมจะอไปแนวทางปฏิบัติท่านอ่กก็คือใต้เทสาลงมานะคะท่นานตาสะจรวันครับก็คือเวลานั่งสมาธิจะนั่งนานมากประมาณสองชั่วโมงอืแต่พอตอนหลังๆก็เยาะเย้มาอยู่ชั่วโมงแล้วก็วันนั้นเจอคุณตะารวจก็บอกว่าอย่านั่งนานมากไปก็ประมาณแค่ยี่สิบนาทีก็พอ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 แั้นเวลาเรานั่งเนี่ยเรานั่งคอยดูกายดูใจก็ทำงานไปเรื่อยๆครับไม่ใช่ว่าเา้อเลิกนั่งนะไม่ใช่นั่งก็ได้แต่นั่งแล้วก็คอยรู้ทันกายคอยรู้ทันใจไม่ใช่นั่งให้จิตนิ่งอย่างเดียวเราจะเกสาโรมาก็าได้เวลาเรานึกถึงเกสรอยท่องอย่างเดียวนะท่องอย่างเดียวไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่แต่ส่วนเรานึงเกสาเนี่ยเรารู้สึกจิตของเราเป็นเกาะยึดิมเราก็รู้ทัน เราถึงโลมาเนี่ยจิตเรามาเกาะที่ขนหรือมันขนคนิ้วอะไรเงี้ยแล้วก็รู้ทันเนี่กจิตเราเคลื่อนไปในร่างกายแล้วจิตไปเคลื่อนไปอยู่ส่วนส่วนไหนเราก็อคอยรู้ทันเป็นการฝึกรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาต่อไปเวลาเรามาอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยพอจิตเราเคลื่อนไปเคลื่อนมาเราจะเห็นหมดเลยไม่จใเป็นต้องเลอกหรอกไม่จะมี็น้งเลิกทิ้งเถอะเดียวชวยโอกาสที่ยอมภาวนาะ ถ้าถือสิ่อที่ควรสัตย์ใจจะดีกว่าพูดถึงว่ามีมีจังหวะมีโอกาสก็ถือคแต่ไม่มีโอกาสก็ไม่ถืออย่งางคารวะเนี่ยคือสิ่งแต่ตลาดอยูโลกรพาะอิ่มไครับขอกภูมิไม่ใช่ภาวนาจนลำบากนะต้องดูตัวเองว่าแค่ไหนพอาหมาะสิสง่งมีประโยชน์ในการฝึกตัวเองเหมือนกันอย่างเราอยู่กับโลกเราคือสิ่งน้านะอย่างเรื่องตาอย่างตามใจตัวเองได้เรื่อย แต่พอเรามาหาันไปดูศินแปดสมมติเราจะถือสักเดือนหนึ่งสมมติไม่ยุ่งกับภรรยาแล้วก็อีกอื่นด้วยแล้วชายอื่นด้วยต้อง <c oughs> มีหลายเงยื่อนไขนะขอไม่ยุ่งกับเมียไม่ยุ่งกับคนอื่นผู้ชายมันก็ได้ <c oughs> พอเราประพฤติตรงมาจันทร์รมรรไม่ยุ่งกับเร่อกรรมเนี่ยเราจะเห็นโทษของกรรมชัดเลยเวลาราค้าเกิดขึ้นจิตใจมีทุรนทุรายดูง่ยดูได้ชัดเพราะฉะนั้นอย่างพระนะภาวนาพระถือศีลประพฤติตรงมาจันทร์ออย่างนี้ กิเลสกกิเลสน้อยจะดว่าเขมามันุนแรงย่า ร, รุนเรีอยวประคองไว้อย่าประคองอย่าประคองจิตไว้ปล่อยใหมันเป็นธรรมชาติรู้สึกไหมขนาด น, นี้ไม่เป็นธรรมชาติแข็งเกินไปนเง็แใจเราไปกดไป ก็อ่าไม่แน่ใจว่าการที่บอกว่าารู้เรื่องการดูจิตเนี่ยค่ะมันก็ว้องมีการปฏิบัติแล้วคือมันใช่ที่หลวงพอรู้จักมันก็ดีขึ้นนะแต่ยังไม่ร้อยเปอนต์เราไปรู้ทันเรื่องความจริงจัหลักของการปฏิบัติมันง่ายๆนะพวกเราใครมีบัตรก็จดไว้ก็ได้เห็นชอบจดคนการปฏิบัติเนี่ยนะคือการมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง มีสติไม่ได้กําหนดนะสติเป็นตัวรู้ระลึกซึ้งนะรู้อะไรต้องรู้กายรู้ใจถ้ารู้อย่างอือนใช้ไม่ได้บางคนไปรู้ความว่างอะไรย่างงี้ใช่ไม่ได้ต้อรู้กายรู้ใจรู้ตามความเป็นจริงของจริงมีอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่อดีตไม่ใช่หนักคนรู้อยู่ในปัจจุบันนี้ความจริงคืออะไรความจริงเค็นไรลักษต้องเห็นกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเดือดเป็นอนัสตาไม่ใช่เราอันนี้ตีเรียกว่าลักษณะ เราทั้งดูกายดูใจอย่างเดียวยังไม่เห็นวิปัสนาย่งเราดูท้องของยุบเนจิตไปเกาะิ่งอยู่ที่ท้องไม่ใช่วิปัสนาเป็นสมถะงั้นเราต้องเห็นใจรักถ้าเห็นใจรักนี่กเป็นวิปัสนางั้นมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงที่เห็นใจรักของกายของใจนี่จะเห็นใจรักของกายของใจได้ต้องมีเงื่อนไขต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลัง ดังถ้าพูดให้เต็มยศนะ่ยก็ต้องบอกว่ามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นแนละเป็นกลางจิตตั้งมั่นที่จิตเป็นแค่คนดูไม่ใช่คนที่จะโจรลงไปจิตที่กระโดดลงไปใส่ตัวลมไปเข่งตัวลมเป็นสมถะกรรมฐานถ้าจิตมันเป็นแค่คนดูสบายๆเห็นกายหนึ่งเส้นไหวเห็นใจหนึ่เส้นไหวปัญญามันเกิดจะเห็นทั้งกายทั้งใจแล้วมันไม่ใช่ตัวเราดังนั้นจิตที่ตั้งมั่นนะสำคัญ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 รู้ตามความเป็นจริงคือเห็นใจเห็นใจมันเคลื่อนไหวเปลี่นแปลงมันทํางานของมันตลอดมันไม่ใช่เราหรอนี่เรียกว่ารู้ตามความเป็นจริงจิตที่เป็นคนไปรู้เขาเป็นจิตที่ตั้งมั่นไม่ถลำลงไปรู้ไม่จะโจนลงไปรู้แล้วก็เป็นกลางไม่เข้าไปแทรกแซงอารมณ์ผู้งหลายนถ้าฝึกด้วยสภาวะที่หลวงพ่อว่านี่คือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางในเวลาไม่นานนะเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเราต้องได้ธรรมะบ้างแล้ว ถ้าขาดตัวใด<ก>ตัวหนึ่งขาดสติใช้ไม่ได้แะคือเป็นกาหนดเรื่อยๆไม่ใช่สตกิกำหนดไม่ได้แ ต, ต่ว่าสติกำหนดแล้วกดเอาไว้ค่มเอาไว้สติถ้าเราลึกได้รู้ทนันรู้ทันสภาวะที่กำลังมีถ้ารู้เราไม่ได้รู้รกายรู้ใจก็ใช้ไม่ได้ถ้ารู้กายรู้ใจแล้วจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่เป็นกลางก็จะไม่เห็นไตรลักษณ์ ในชีวิตแท้ๆนะมีสติรู้กายรู้ใจต่างความเป็นจริงแต่จะรู้ต่งางความเป็นจริงได้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเฉ็นกลางอันนี้เป็นตัวสําคัญพวกเราที่เรียนแล้วเราขาดจิตที่ตั้งมั่นและเฉิงกลางในเวลาที่เรารูร้กายรู้ใจนจิตจะถล่มลงไปรู้ตลอดไปพลาดแค่ตรงนี้แหละที่ทํากันแลมเดืลแลานปีไม่ได้ผลเปลี่ยนชื่อเป็นคุณนายแลมปีไม่ได้ผล หรือดีขึ้นมาเดี๋ยวก็แยกขับไปอย่งเดิ ม, ร ม, านานามาเ ร, มรู้สึกไหมจิตขณะนี้โปร่งกว่าเมื่อกี้แล้วไม่โปร่งอีกแล้วรู้สึกไหมแค่ดูอย่างนี้แหละแล้วพี่ทำให้คือใจมันคำับจับติดติดตะไรอย่างเงพอใจได้ลไ<ว>แล้วใจมันเริ่มโปร่งขึ้นมาบ้างแล้วรู้สึกไหมถ้ <c oughs> าตอนานาแล้วหนักหนักแน่นแน่นแข็งแข็งซึ้งซึ้งทื่อือผิดแน่นอนตอนนี้ใจมันก็เริ่มคลายตัวโปร่งออกมน นมรส ก, การข้าอาจารย์นะค่ะของโยมเนี่ยอ่าปฏิบัติมาระยะยืมแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองพักหลังเนี่ยเผลอบ่อยแล้วบางวันก็เผลอบ่อยบางวันก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่คิดว่าเผลอคือไม่ไม่มีสติที่จะรู้ว่าเผอด้วยอันนั้นเผอนานแล้วก็มีเมื่อสอสวันหลังเนี่าที่ผ่านมาแล้วคะมีเรื่องให้ให้ให้มีโทสะเกิดเกิดขึ้น แล้วก็เห็นว่าตัวเองฟาดหัวฟาดหางด้วยด้วยวาจาเนี่ยมันไม่เห็นตัหลงไปดูเลยจังหวะเด็กๆฝึกแค่สงบหรอกดูเยบ้านี่เกิเต้นไหมเต่อไปเราจะเห็นเล้ตัวที่เต้นอยู่ไม่ใช่เราหรอกหรือหายไปได้คือคือเหมือนกับเรารู้แต่ว่าเราเราให้มันหยุดไม่ลางให้ให้ดูใจจิตนะเรายังไม่เป็นกลางเรายังอยากให้มันหาย ทิ่เราไม่เป็นกลางนะไม่มีปัญญาแท้แล้วครับแล้วก็ก็สักพักใหญ่เข้าถึงจะจ ะ, จะดักแต่ที่ควรฝืนอยู่ใช่ได้นะสติของคนมันก็เริ่มเกิดนะรู้สึกในใจเราปลงร่งเบาขนะ้นมามากเลย น, นะ ม, <า>มันรู้เรืรู้ตัวขึ้นมาเคยโมโหงฉื่เชียวเคยครุกแตอารมณ์ลันก็เริ่มไอยออกมาดีที่คืนอยู่ใช่ได้นะ หลวงพ่ออยู่ได้ถึงสองโมงครึ่นะเหลวงพ่อยิ่งเนักเราลูกตุ้องอีกนี้นั่ากานนี้มดเป็นเก่นตลอดปีห้าสามนะจะทีขึ้นห้าสี่ละ <ทำ S 1> แล้วอาจารย์หลวงพ่อค่ะเพื่อเคยมีสการต้างที่สาราบมือเชียงนะครับจะเลยกี่คนที่เก่งบ้างสามวันใต้ทันก็นีแล้วห ล, หลวงพ่อพักว่า มันปิดเฉยดีมันเคลื่อนกับที่สาราลุงชินแล้วรวกาไหมมันไม่เฉยเท้าโดนนะค่ะเริ่มดีขึ้นแล้วทีนี้ระยะหลังๆที่มันเห็นโทรศัพทบ่อยนั่นแหลดีแล้วแต่ตอนนั้นเรเจ็บปวดมั้ยมันเหมือนกระดี่ตัวนึ่งกระโดดออ้วาดูข้างๆแล้วจำแอบแอบคาดวังไม่ได้ว่ามันมามาบอกจังไม่มันไม่เป็นกลางนี่มันมีใจเป็นคนดูแต่ใจตัวนี้มันเบียวไม่เป็นกลาง ยังไม่ชอบกิเลสยังชอบกุศลยังไม่ชอบทุกยังชอบสุขอยู่ให้เรารู้ทัสไปนี่แหลายตอนมาได้ดีนะแต่มันต้องถอนตัวควเป็นคนดูทีนี้บางครั้งอยากกิเลสนันสงน่งสมาธิบ้างค่ะก็เคยนั่งสมาธิมาเยอะแล้วลเราก็อย่เอาเพ่งนั่งนะเดี๋ยวซึมพยายามหางานบ้านทําว่านบ้านถูบ้านที่บ้านไม่มีจะให้ทํามากกว่าที่สํานักงานเลื่อนไหวเลยดกระดิงแล้วรู้สึกเห็นร่างกายทํางานไปเรื่อย ดีกวนั่งนี่งๆน่าจะซึมของเก่ามันซึมหมทีนี้จะถามต่อย่อแต่พี่นี่มันต้องถามที่หนึ่งนะคะ่ะว่าที่ก็บอกว่าเวลาคนทําร้ายเราเนี่ย<ม>แล้วหลวงพ่อทักว่าคุณมัมีเราอยู่ทีนี้เวลาทําไงที่จะอยา่าทักอาภัยให้คนที่ทําร้ายเราเปนถูกวิธีเลยค่ะหลวงพ่อให้รู้ทันใจที่มีความโกรธขึ้นมาใจที่อาฆาตขึ้นมาเราจะเห็นเลยว่าตอนมันโกรธขึ้นมามนอาฆาตขึ้นมามันทุกข์นะเรารักเองที่สุดอเออพอเห็นมันทุกข์เราก็ไม่อยากเอาแนละ้ว ถ้าเรามีสติมากเข้าวมากข้าต่อไปมันจะเปลี่ยนแต่ที่จะกลัวนะมันสงสารนะสงสารโอ้โหวันนี้มันไม่เอาไหนเลยมันถูกกิเลสครอบงำน่าสงสารแ้วอความสงสารมันเกินไม่กลัวแล้วแล้วถ้าเกิดเราสงสารเขาเราควรจะคลุคลีกับเขาเหมือนอย่างที่เราคลุกคลีกับเาเหมือนเดิมหรือเปล่าคะไม่จําเป็นเราก็ต้องเลือกครบคนัวนะครบคนชนิดไหนควรคบคนชนิดไหนไม่ควรไม่ใช่ครบกับทุกคนเสมอกไปบางคนใช้ธรรมะผิด อย่างบอกว่าต้องเป็นกลางอะทุกคนเลยต้องคนชั่วด้วยอะไรเงี้ยเขาก็ได้เจ้าห้าอกเนี่ยเราอย่าก็คนพาลให้ก็บัณฑิตเง้ยต้องเลือกนะงั้นถ้าเลือกได้เราก็เลือกคนไหนกิเลสคุณแรงเราเข้าแรงแล้วกิเลสของเราจเจริญขึ้นเราก็ไม่เอาแล้คนไหนเราเข้าแฝงแล้วกูสนของเราจเจริญขึ้นเราก็เอาแต่บางคนเราเลือกไม่ได้ถ้าเลือกไม่ได้แล้ก็ต้องดูใจเราไว้อย่าไปคิดจะเปลี่ยนเขาตก็งเปลี่ยนตัวเอง ตัวเองเปลี่ยนยากเลยเปลี่ยนเขายากใหญ่งั้นถ้าเกิดว่าพยายามจะถอยห่างจากคนที่ทาให้เรามีโทรศัได้ให้ดูกิเลสของเราไปๆครับห่างได้ก็ห่างไม่ได้ก็ดูของเราไปคือว่าเป็นบุญของเราแล้วที่เจอเขาทําให้เราได้ดูกิเลสตั้งวันเลยขอบคุณค่ะการของพ่อคือของผมก็เวลาหลงไปก็จะรู้มาเรื่อยๆครับอื ก็อยากจะถามว่ายังรู้ถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเราเป็นนงใจแค่คอยรู้ทันเวลาใจแอบคิดนะของคุณเนี่ยใจมันชอบแอบคิดมากใจมันไหลคิดคิดเรารู้ใจหนีคิคิดเรารู้อย่าไปหาความรู้ในทางธรรมะด้วยการคิดเอาธรรมะเนี่ยไม่ไม่สามารถรู้ด้วยการคิดได้ธรรมะรู้ความจริงได้ด้วยการเข้าไปดูของจริอย่างใจเราลอยไปเราก็รู้แต่เราโลภขึ้นมาก็รู้ใจเราโกรธก็รู้อย่างตอนนีใจบิดคิดอีกแลทราบไหม ถ้าดูไม่ออกนะดูร่างกายไปถ้าดูจิตไม่ออกดูกายไปได้ๆดูกาก็ได้ดูจิตก็ได้จิตไปคิดถนะ้าทราบไหมตรงเนี้ยยัง ไ, ไ, ไม่ทราบนะตพราะไปเช่งไหมเช่งจนใจมันนิ่งๆกว่าความเป็นจริงรู้สึกไหมตรนเนี้ยมัเสีจเช้นนั่ น, น, นแหละเช่ น, น, น, นอะไรกดจนไหมกดไหมคราวนี้ไม่สามารถจะดูกาดูใจตามความเป็นจริงแ้วมันนิ่งไปหมดเมื่อเวลาเรากําหนดแนละ้วกำหนดไปเรนะื่อยร่างกายก็นิ่งใจก็นิ่งไม่มีใจรักให้ดู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 นะกอยากให้หลบงพอ่อแ น, นะนำพยายามสระดูกกระดิกแค่มากๆนะเ <c oughs> ส้นไหลยบ่อยๆดูกายที่เส้นไหวแต่ใจเป็นคนดูบ่อยๆครับขอบค้ณค ร, ระาอาจารย์ค่ะหลวงพอ่อเ็้ ดูฟังซีดีหลวงพ่อใหม่ๆรู้สึก<ม>เต็มมากคะ่ะเวลาคุยกับหลวงพ่อเนี่ยพยายามไปจบหลวงพ่อรู้สึก <laughs> ไม่ตะเคียดอย่างบอกหลวงพ่อว่ฟังดีหลวงพ่อใหม่รู้สึกว่าตัวเองแบบร้ายมากมนั่นแหละควรดีค่ะแล้วก็แต่ที่เรารู้ทันนั้นแหละดีแล้วค่ะแต่เออแล้วแต่ก้อยก็รู้สึกว่าเองดีขึ้นลูกถ่าที่รู้อนุ หนูรู้ถูกใช่ไหมคะหลวงพ่อง่ายๆเลยอยากรู้ว่าเราดีขึ้นทุกอย่างและดูผิดแปลกจากคนรอบตัวเรา <c oughs> ง่ายที่สุดเลยหลวงพ่อคะเราหนูเวลาถึงทํางานบ้านหนูก็จะจะพยายามดูดูการเคลื่อนไหวด้วยแล้วมีวันหนึงหนูรีบมาหาพย า, ยามทำแต่ละคะ่ะที่อาจจะด้วยความเคฉิบที่ดูแล้วมันแรกหนึ่งหนูเห็น หนูก้าอยู่แล้วหนูหนูเห็นมันตัวหนูเห็นหนู ห, นหนูหนูเห็นถูกเปล่าถู ก, ถกสินะเราเห็นรูปแล้วมันไม่ใช่ตัวเราแล้วมันเป็นตัวอะไรก็มรไม่รู้นี่ไลยเห็นตอนนั้นล้วเห็นกายไม่ใช่เรานี่เยอะแยะเลยครับหลวงพ่อแนะนาอะไรไนะแนนำที่นี่นะอย่าขี้เกียจตด หลวงพ่อคะเออแล้วเวลาระหว่างที่ฟังซีดีก็จะฟังในรถเอาไว้แล้วก็เอ่อจะให้ลูกฟังด้วยค่ะหลวงพ่ออยากไปบังคับเด็กนะัะ่ะเปิดแ้วให้เด็กได้ยินก็่อแหละหลายบ้านเล ย, เยีขึ้นรถได้ก็เปิด น, นะอยากให้ลูกฟังพอเปิดไปเปิดใสนะ่แล้วลูกมันภาวนาเก่งพ่อไม่เป็นอะไรพ่อพ่อควจะห่วงเมื่าไหรลูกมันจะภาน้ําเก่ง <laughs> พ อ, พ, อพ่อใจ่อยนะลูกบอกพ่อหลงแล้ว เขาก็มีถามมาเขาว่าเอ๊ะคือเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องดูกายหรือว่าดูโดยจิตหลวงพ่อสั่เข้ามาด้วยไหมสองคนดูฉันหลวงพ่อยกมือหน่หลวงพ่อหน่อยค่ะดูจิตก็ได้ดูไปเลยเด็กฟอนาง่ายนะเด็กพอนางง่ายกว่าผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่ชอบสร้างอะไรพลุพลังขึ้นมาการปฏิบัติคือการดูกายตามความเป็นจริงดูจิตใจตามความเป็นจริงเด็กยังไม่ได้ถึงปรุมากเพราะฉั้นดูง่าย ผู้ใหญ่จล้วลูกแต่งเยอะดูยากนั่นก็คือรงอนหมดเวลาพอดีใครน่ากเวลาไวเก่งจริงแล้วการนี้นะครับผมขอได้เชิญนะครับผู้ช่วาสอรรม้งวินะครับท่านประธานเจดมัทองนะครับแล้วก็ผู้บริหารเจดทองนะครับในรอบกันถวายนะครับตั้งแต่ีวอนะครับจตุปัจจนะครับแล้วก็นะครับเรื่องสถานะนี้ทั้งให้กับคุณพ่อด้วยนะครับพ่อหน่ย เดี๋ครับเราจะกราบสวรรค์พร้อมกันนะครับว่านมโมทัสจบอมกันครับนมโมทัสสะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนามโมัสสะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะมา อันนี้ไม่ยังทันเต<ด> จวรานิจจวราตุปัจจะยานิจตุปัจจะยานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิิกุสังคสะพิกุสังคสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนันเติกสังโคพิกสังโคมานิมาิจีจวราิจวรานิจตุปัจจะยาิตุปัจจยานิสัพปริวารานิสพริวารานิ ปฏิการหาตูอำหากลางอีคารตังอิตายะสุขายะข้าแต่หลวงพ่อปาโมทูเจริญ้าหลวงพ่อปาโมทเจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายน้อมถวายสาธิวอร์จถูปัจใจได้บริวันทั้งหลายเหล่านี้ แต่หลวงพ่อป่โมแต่หลวงพ่อมขอหลวงพ่อขอหลวงพ่อโกรรักรธรักจีวรจิีวรกปัจจัยเจตุปัจจัยด้บารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแ่บรรชนของข้าพเจ้าทั้งหลายแ่บรรชนของข้าพเจ้าทั้งหลายอันมีปิดามาดาเป็นต้นอันมีดมาดาเป็นต้นอดกาลและนานเธอ ยถาวาริวาาปุราภริปุเรนติสัพพังเอวเมวะอิโตหินังเตตานังุปก ป, ปติอิิตังกิตัง ต, ตุมังจิปเมวะสนิตตุสัเพเกปุเรนตูสังกปะจันโทปนละโศย t h ามณีโชติละโศยะ า, าสภีตโยวิวัชันตูสัพาโรคโคอินัสต มาเตพาวัตวันตรายโยสุจีทิคาโยโกภวะอภิวาทานาสีริสนิจยังุทธาปจัยโนจตารูธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุาาาาาาอนุโมทิมิ์ลวงพอลาบุระกนันไหมเท่านะ ฟังดีแล้วก็ขอนาเพื่อตัวเราเองเราจะต้องเปลี่ยแปลงชีวิตตัวเองให้ได้นะเรื่องอะไรเราจะต้องทุกตลอดไปต้องดีขึ้นให้ได้